พระไตรปิฎกเล่มที่ส4พระกุลัทเทรัตชาริยภูตสูตรอัจฉริยธรรมของพระพระกุละผู้เครงในทุดงควาสไม่เคยป่วยไม่เคยนอนสมัยหนึ่งท่านพระพระกุละพักอยู่ณพระเวลุวันเขตกรุงราชกฤกครั้งนั้นแหลปบริพาชกชื่ออาเจละักะสศปะผู้เป็นสหายเก่าเมื่อครั้งยังเป็นเข้าเรือหัด ได้เข้าไปหาแล้วถามว่าท่านบวชมานานเท่าไรแล้วและที่ผ่านมาได้เสพเมทุนธรรมมากี่ครั้งท่านพระภกุละตอบว่าบวชมาแล้วแปดสิบพรรษาและไม่ควรถามว่าเสษเมทุนกี่ครั้งแต่ควรถามว่าที่ผ่านมากามสัญญาเคยเกิดขึ้นกี่ครั้งซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นแก่ท่านเลยอเจอรลักัสปะจึงกล่าวยอมรับ และจะจำไว้ถึงข้ออันนาอัศจรรย์หรืออริยธรรมของท่านพระภากกุละในข้อนี้จากนั้นท่านพระพกรกุละได้กล่าวถึงแต่ละเรื่องทีละข้อตามลำดับและอเจลกัสปะก็กล่าวยอมรับทีละข้อไปเหมือนเดิมท่านพระพกรกุละได้กล่าวถึงแต่ละเรื่องทีละข้อตามลำดับดังนี้เมื่อเราบวชมาตลอดเวลา8ปสิพรรษา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 ไม่รู้จักการจัดทาจีวรของเพื่อนพระมารดาลีเลยการไม่ทำจีวรไม่ใช่ท่านทำไม่เป็นนะครับแต่เพราะท่านถือทุ ด, ดงขวัดถือผ้าบางสุกุลเป็นวัดคือผ้าห่อศพ บ, บ้างผ้าตามกองขยะบ้างผ้าเก่างดเว้นการใช้ผ้าใหม่ทุกชนิดตลอดเวลาที่บวชมาแปดสิบพรรษานี้เราไม่รู้สึกกินดีกับกิจนิมนต์เลยไม่รู้สึกเลยว่า เคยเกิดความคิดอย่างนี้ว่าขอใกล่ใพึงนิมนต์เราเถิดไม่รู้จักการนั่งในละแวกบ้านเลยไม่รู้จักการฉันในละแวกบ้านเลยเราไม่รู้จักการจำพรรษาในเสนาสนะใกล้บ้านเลยข้อนี้คือท่านถือการทุดดงอยู่ป่าเป็นวัดนะครับเราไม่รู้จักการถือนิมิตแห่งมาตุคามโดยอนุพยัญชนะเลย คือไม่เคยมองดูสตรีเรายึดมั่นนิมิตในรูปไม่รู้จักการแสดงธรรมแกมาตุคามโดยที่สุดแม้คาถาสี่บาทเลยเราไม่รู้จักการเข้าไปสู่สำนักของภิกษุณีเลยเราไม่รู้จักการแสดงธรรมแก่ภิกษุณีเลยไม่รู้จักการแสดงธรรมแก่สิกขามานาเลยไม่รู้จักการแสดงธรรมแก่สามเณรีเลยไม่รู้จักการให้บรรพชาการให้ผสมบท การให้นิสัยการใช้สมณเณนเป็นอุปถากการส่งน้ำในเรือนไฟการใช้จุรนส่งน้าไม่รู้จักยินดีการนวดเฟ้นตัวของเพื่อนปรมจารีเลยไม่รู้จักอาพาธอันเคยเกิดขึ้นแล้วโดยที่สุดแม้ชั่วขณะรีดนมโคเสร็จเลยไม่รู้จักฉันยาโดยที่สุดแม้เท่าชิ้นสมอเลย ไม่รู้จักการนั่งพิงพนักพิงเลยเราไม่รู้จักการนอนเลยท่านผู้มีอายุเราเป็นผู้มีกิเลสฉันบินทบาตของชาวแว่นแคว้นเจ็ดวันเท่านั้นในวันที่8ปดก็ได้บรรลุอรหัตตะผลเมื่อได้ฟังความอัศจรรย์ทั้งหมดของท่านพระภกุละอาเจลกัสปะจึงเกิดศรัทธาขอบรรพชาและอุปสมบท เมื่อบวชแล้วไม่นานหลีกไปอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ไม่นานนักก็ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งโรมจรรันด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบโรมจรรันแล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปจึงเป็นอันว่า ท่านพระกัสปะได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายสมัยต่อมาท่านพระพะกุละถือลูกดานเข้าไปยังวิหารทุกๆหลังแล้วกล่าวอย่างนี้ว่านิมนต์ท่านผู้มีอายุออกมาเถิดวันนี้จะเป็นวันปาริณิพานของเราท่านพระกัสปะกล่าวว่าข้อที่ท่านพักุละถือลูกดานเข้าไปยังวิหารทุกๆหลังและกล่าวอย่างนี้ว่า นิมนต์ท่านผู้มีอายุออกมาเถิดวันนี้จะเป็นวันปริณิพานของเราเราทั้งหลายจะจําไว้ว่าเป็นธรรมะอันน่าอัศจรรย์ของท่านพักกุลละครั้งนั้นท่านพระพักกุละนั่งปริณิพานในถ้ำกลางภิกษุสงฆ์ท่านพระกัสสปะกล่าวว่าข้อที่ท่านพระกุละนั่งปรินิพานในถ้ำกลางภิกษุสงฆ์นี้เราทั้งหลายจะจําไว้ว่า เป็นธรรมะอันน่าอัศจรรย์ของท่านพระกุละดังนี้แหลจบพระกุลละเทรัาชริยภูตสูตรหมายเหตุข้อนี้ไม่ใช่การบังคับตนให้อดนอนนะครับซึ่งจะกลายเป็นการทรมานตนได้เพราะคนเราร่างกายไม่เหมือนกันบางคนอดนอนและกุศลเจริญบางคนอดนอนและอกุศลเจริญ ความต้องการนอนของแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับคนร่างกายอ่อนแอถ้านอนน้อยกว่า8ชั่วโมงมีงานวิจัยหลายชิ้นนะครับที่บอกว่าส่งผลเสียมากส่งให้เกิดโรคมากมายเครียดง่ายสมองกดตัวฮอร์โมนหลังผิดปกติส่งผลเสียต่อสติปัญญาดังนั้นจึงฝากไว้สำหรับพวกที่ชอบเอาเด็กไปบังคับอดนอนในคอสปฏิบัติธรรมทั้งหลายนะครับลาคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีถูกต้องโดยไม่เคยคิดเลยว่าคนเราไม่เหมือนกัน และผู้มาใหม่ร่างกายยังไม่พร้อมต้องให้นอนกินเต็มที่มาอย่างนั้นทั้งหิวทั้งง่วงสภาพจิตแบบนั้นจะไม่พร้อมรับอะไรทั้งนั้นพระพุทธเจ้าจะทรงสอนใครก็ยังต้องรอให้พร้อมให้พักหายเหนื่อยหรือหิวก็กินก่อนทุกอย่างมีลำดับขั้นค่อยๆปรับการกินการนอนจนพอดีไม่ใช่อยู่ดีๆหักดิบในวันแรกหรือช่วงแรกเลยนะครับ เรื่องการไม่นอนของท่านพระพักุละเป็นอาริยาภาพเฉพาะบุคคลด้วยบุญบา ร, รมีที่ท่านสร้างไว้ในอดีตส่งให้ท่านสุขภาพแข็งแรงมีร่างกายสมบูรณ์กว่าคนทั่วไปสังเกตได้จากท่านไม่เคยป่วยเลยและอีกอย่างคือการเจริญฌานสมาบัติการเจริญสติการทำสมาธิก็เปรียบเป็นการพักผ่อนอยู่แล้วผู้ที่เข้าฌานได้ระดับลึกได้จึงสามารถนอนน้อยได้กว่าคนทั่วไป หรือการเข้าฌานสมาบัตินั้นถือเป็นการพักผ่อนทั้งจิตและกายดีกว่าการนอนหลับแบบคนทั่วไปด้วยซำ้ำ